กอกุศลนิเทศอกุศลจิตดวงที่สองถึงดวงที่สี่สสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉไหนะจิตที่เป็นอกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสำปรยุทธ์ด้วยทิฏฐิเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิปรยุทธ์จากทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์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 พจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้281บรรดาปัจจยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นฉนะัความไม่รู้ความไม่เห็นลิมคืออวิชชาอากุสลมูลคือโมหะ นี้เรียกว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นฉนะัยความจงใจกริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นฉนะัยความตัดสินอารมณ์กริยาที่ตัดสินอารมณ์ภาวะที่ จิตตัดสินอารมณ์นั้นนี้เรียกว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นไฉนะเว้นอธิโมกแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมี เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อกุศลจิตดวงที่5 282สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉไนะจิตที่เป็นอกุศลจหรคตด้วยอุเบกขาสำปรยุทธ์ด้วยทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆ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 283บรรดาปัจจยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นฉไนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอากุตรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาเพระาะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นฉไนะความสําราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สําราญทางใจก็ไม่ใช่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 ดวงที่ 8. ปดสองสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉนหนจิต ท, ที่เป็นอกุศลสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุต ด, ด้วยทิฏฐิโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์สหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์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 กองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้285บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นฉไหนเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อกุตตลจิตดวงที่9ถึงดวงที่สิบสอ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นชนจิตที่เป็นอกุศลสหรตด้วยโทมนัตสัมปยุทธ์ด้วยปฏิฆะมีรูปเป็นอารมณ์สหรตด้วยโทมนัตสัมปยุทธ์ด้วยปฏิฆะมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้น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 บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นไนความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอากุศลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชานี้เรียกว่าพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยผัสฐะจึงมีเพราะภัฏฐะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไนความไม่สาราญทางใจความทุกข์ทางใจ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 ความไม่แช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปฏิฆะจึงมีเพราะปฏิฆะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นฉไหนความตัดสินอารมณ์กริยาทีตาาท่ตัดสินอารมณ์ภาวะที่จิตตัดสินอารมณ์นี้เรียกว่าเพราะปฏิฆะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัย พบจึงมีเป็นฉไนเว้นอธิโมกแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อกุศลจิตดวงที่11อ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 ความไม่รู้ความไม่เห็นลิมคืออวิชชาอากุสลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชานี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสตะจึงมีเพราะผัตตะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นฉไนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สาราญทางใจก็ไม่ใช่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 ภาวะที่เครือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความคิดเห็นเป็นสองทางความคิดเห็นเหมือนทางสองแพรง่งความสงสัยความไม่สามารถถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดจ่ายไปความคิดพ่าไปความไม่สามารถยังลงถือเอาเป็นยุติได้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 เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อกุสลริตดวงที่ 12.290 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไฉนะจิตที่เป็นอกุศลสหรอรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุต ด, ด้วยอุทจัจจมีรูปเป็นอารมณ์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 เพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุทธจัจจจึงมีเพราะอุทธจัจเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัย ช, ายชารามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้ มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้291ในปัจจัยการเหล่านั้นอวิชชาเป็นฉะไหนความไม่รู้ความไม่เห็นสลิมคืออวิชชาอากุศสลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชานี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัย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 เพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุทธจัจจะจึงมีเป็นฉไนความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบความวุ่นวายใจความพล่านแห่งจิตนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุทธจัจจะจึงมีเพราะอุทธจัจจะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นฉไนความตัดสินอารมณ์กริยาที่ตัดสินอารมณ์ ภาวะที่จิตตัดสินอารมณ์นั้นนี้เรียกว่าเพราะอุทธจจะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นฉไนเว้นอธิโมกแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมี เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีอาการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อกุศลานิเทศจบ 10. กุศลนิเทศกามาวจรกุศลจิต8มหากุศลจิต ด, ดวงที่หนึ่งสองร้อยก้าสิบสอง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 เพราะอาธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้293บรรดาสภาวธรรมที่เป็นกุศลเหล่านั้นกุศลมูลเป็นฉไนะ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 อโทสะเป็นไนความไม่คิดประทุษร้ายกลุ่ยาที่ไม่คิดประทุษร้ายภาวะที่ไม่คิดประทุษร้ายความไม่คิดพยาบาท ค, ความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะนี้เรียกว่าอโทสะอโมหะเป็นไนปัญญากลุ่ยยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงาย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 นี้เรียกว่าเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภาษาทะจึงมีเป็นฉไนสัทธาความเชื่อกริยาที่ปรงใจเชื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภาษาทะจึงมีเพระาะภาษาทะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นฉไน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 เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้มหากุศลจิตดวงที่สองถึงดวงที่สี่สสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไหนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัต ส, สัมยุญดิยาณ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 เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที bird, ่หจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยพัสสะจึงม <Okay. S 1> ีเพราะพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปสาทจึงมีเพราะปสาทเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมี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 อโลภและอโทสะในกุศลมมลนั้นอโลภเป็นไนความไม่โลภกิริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กาหนัดกิริยาที่ไม่กาหนัดภาวะที่ไม่กาหนัดความไม่เพ่งเร่งกุศลมมนคืออโลภนี้เรียกว่าอโลภอโทสะเป็นไน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 ความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยพัสสะจึงมีเพราะพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไนความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสเวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสเวย อ, อารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะภัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้มหากุศุ ล, ลจิตดวงที่หถึงดวงที่6กสอ สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรตด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์สหรตด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใด ในสมัยนั้นเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจยัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจยัยนามจึงมีเพราะนามเป็นปัจจยัยอายตนะที่หจึงมีเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจยัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจยัยเวทนาจึงมี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 มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้297รบดันดาปัจจยาการเหล่านั้นกุศลมูลเป็นฉไนกะุศลมูลคืออโลภะอโทสะและอโมหะสภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลมูลเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 กองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้มหากุศ ล, ลจิตดวงที่7ถึงดวงที่8ปดสสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุจจากญาณมีรูปเป็นอารมณ์สหรคตด้วยอุเบกขา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 อายตนะที่หจึงมีเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยภัสสะจึงมีเพราะภัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปสาทะจึงมีเพราะปสาทะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้299บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นกุศลมูลเป็นฉไนกุศลมูลคืออโลภะและอโทสะสภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลมูล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 อรูปาวาจรกุศลจิต 302. สภาวาธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไนโยคาวาจรบุคคลจเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตตชานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญา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 ชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวั น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้303บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นกุศลมูลเป็นฉไนกุศลมูลคืออโลภะอโทสะและอมโมหะสภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลมูลในกุศลมูลนั้น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 พระเวทนาเป็นปัจจัยปัสสาทะจึงมีเพราะปัะสาทะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาตจึงมีเพราะชาตเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีสภาวธรรมเหล่านี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้สามห บรรดาปัจจัยากาเหล่านั้นกุศลมมลเป็นฉไ น, นกุศลมูลคืออโลภะอโทสะและอโมหะในกุศลมมลเหล่านั้นอโลภะอโทสะอโมหะเป็นฉไ น, นปัญญากริยาทยี่รู้ชัดความไม่หลงมงมงายความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพ ช, ชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าอมโมหะสภาวะธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลมูลเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นฉนัยความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจ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 อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปสาทะจึงมีเป็นฉไนะสัทธาความเชื่อกิริยาที่ปรงใจเชื่อความเริ่มใส ย, ยิ่งนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปสาทะจึงมี เพ ร, ะระาะภาษาท่เป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นฉไนะความตัดสินอารมณ์กิริยาที่ตัดสินอารมณ์ภาวะที่จิตตัดสินอารมณ์นั้นนี้เรียกว่าเพ ร, ะระ า, าระภาษาท่เป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นฉไหนะเว้นอธิโมกแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน นี้เรียกว่าเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีนี้เรียกว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีคำว่าสภาวะธรรมเหล่านี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นั้นเด็กแก่สภาวะเหล่านี้ไปร่วมมาร่วมประชุมร่วม ปรากฏขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสภาวธรรมเหล่านี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้กุศลนิเทศจบ